แป้วใจเมื่อยิงหมีโดยปกติแล้วการตีพึ่งจะทำกันในตอนกลางคืนเดือนมืดแต่ตอนท่านเป็นหนุ่มเป็นคนไม่กลัวอะไรง่ายๆจึงอยากจะทดลองตีพึ่งในตอนกลางวันดูบ้าง ครั้งนั้นผลปรากฏว่าพึ่งจำนวนมากเลยบินตามไล่ต่อยตลอดทางถึงขนาดที่ว่าต้องได้ถอดเสื้อถอดผ้าออกหมดแล้วรีบกระโจนลงไปอยู่ในน้ำแม้ขนาดนั้นฝูงพึ่งก็ยังวนเวียนอยู่เหนือน้ำแต่ที่สุดก็รอดพ้นไปได้ครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว มาดูตามเนื้อตัวปรากฏว่ามีตะเหล็กในพึ่งฝังอยู่เต็มไปหมดนีอยู่คราวหนึ่งท่านตามผู้ใหญ่ไปในป่าบังเอิญเหลือไปเห็นหมีตัวหนึ่งเข้าก็เป็นระยะที่ประชิด ต, ตัวมากแล้วเพราะ อยู่ใกล้มากครั้งนั้นท่านช่วยพ่อแบกปืนอยู่จึงจำเป็นต้องยิงทันทีทราบว่าหมีตัวนั้นได้รับบาดเจ็บไม่น้อยท่านบอกว่าวันนั้นทั้งวันรู้สึกไม่สบายใจเลยเมื่อกลับถึงบ้านจึงถามพ่อว่ายิงหมีนี่บาปไหม คงเป็นพระท่านได้รับการปลูกฝังมาแต่เด็กว่าการฆ่าและการเบียดเบียนสัตว์เป็นบาปหากเป็นวันพระด้วยแล้วยิ่งบาปมากทำให้ท่านแสดงความเสียใจปลากดออกมาจนพ่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งลูกตั้งคำถามกับพ่อดังกล่าวด้วยแล้ว ความที่พ่อเกรงว่าลูกจะสลดหดหูเศร้าซ่้อยเกินไปจึงได้กล่าวปลอบขวัญพอเป็นกําลังใจแก่ลูกแทนการให้คำตอบที่แท้จริงภายหลังเมื่อบวชแล้วท่านยังรู้สึกแป้วๆปในใจอยู่ตลอดมาดังนั้น เวลาภาวนาไหว้พระสวดมนต์คราวใดท่านจะต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้มีตัวนั้นทุกครั้งทุกคราไปท่านเคยกล่าวกับพระด้วยว่าแม้จนทุกวันนี้ท่านก็ยังแผ่เมตตาให้มันอยู่ตลอดไม่เคยขาดเลยคำกล่าวของท่านตอนหนึ่งเล่าถึงความคิดในสมัยเด็ก เกี่ยวกับเรื่องความตายจากนั้นก็กล่าวมาถึงเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนี้พูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายนี้กลัวมากตอนเป็นเด็กเรากลัวมากพอพูดถึงเรื่องตายนี้ไม่อยากให้ระลึกขึ้นเลยมันเหี่ยวมันห่อในใจให้ระลึกเรื่องอื่นมากลบมันเอาไว้ เราไม่ลืมนะนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองมีเพื่อนฝูงเขาพูดเราก็พากันไปหากินตามเรื่องตามราวนั่นล่ละเขามาพูดว่าวันพระนี้ทำบาปเป็นบาปมากนะวันพระนี้ไปฆ่าอะไรทำบาปอะไรเป็นบาปมากนะมันก็ฝังใจเลยฝังมาตลอดวันพระนี้ ไม่กล้าฆ่าสัตว์คำกล่าวข้างต้นทำให้ทราบได้ว่าคนในสมัยนั้นท่านเน้นเตือนกันเสมอในเรื่องบุญเรื่องบาปไม่มองข้ามหรือเพิกเฉยไปจะเห็นได้ชัดเจนอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพ่อและแม่ของท่านคือทุกครั้งที่พ่อเข้าป่าเข้าดงได้เนื้อมา แม่จะต้องเอาเนื้อนั้นมาทําแห้งบ้างทําแหนมหรือทําส้มบ้างเพื่อไม่ให้บูดให้เสียทิ้งจะได้เอาไปทําบุญกับพระที่วัดแม่ทําเช่นนี้เสมอมาทุกครั้งจะต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่เอาเนื้อมาทําอาหารด้วยทุกๆุกตัวไปไม่ให้ขาด ความใกล้ชิดติดพันของพ่อและแม่ต่อพระาศาสนาเช่นนี้เองมีส่วนปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องกรอบด้วยเมตตาธรรมแก่ท่านอยู่ไม่น้อยให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานประทับไว้ภายในจิตใจตลอดมากระทั่งก้าวเข้าสู่เพศบรรพชิต